ขึ้นหน้าสองเลยนะครับนานานิทานนิเพออธิบายหัวข้อนิทานนิทานแปลว่าอะไรนิทานนี้ม่ไม่ได้เหมือนนิทานอะไรประหลาดประหาดหรือนิศศอะไร้็นะอันนั้นมันเรื่องเล่าสนุกสนุกใช่ไหมครับนิทานก็คืออต้นเหตุหรือว่าต้นเรื่องก็ได้นะครับต้นเรื่องนะเพราะนิทานนั้นิทานหน้าแปลว่าเหตุได้นะครับก็ต้นเหตุหรือว่าต้นเรื่องนะครับ อตอนเรื่ m งความจริงเนี่ทนาาทยที่เราต้องอ่านนิทานเขาจะอธิบายข้างหน้าข้างหน้าครับถ้าอธิบายของข้อ น, นิทานนะตอนแร ก, าากท่านจะอธิบายนั้งแต่คาว่าปฏิโมกก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนิทานเป็ น, น, นตัวไหนนะครับนิทานตรงที่ยาลงปฏิโมกเ์นะถ้าบุศเสด็นปฏิโมกข์เขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสุนาตุเนพันเตสังโคนะคระบอาชุ ป, ปสันโธปนาลาโส ยติส so ังคตาปตักระลังสังโฆอุปสัชกะเลยยาปาติโมกขังทิสเนียคือตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเป็นยตินะจนจบนู่นแหละนิทานุเทโซนีิทิตงนะครับนี่คืนิทานเพราะว่านะครับตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะครับพระปาติโมกนะบัญญัติให้ทุกจุดทั้งหลายเนี่ยถือว่าปาติโมกเป็นครั้งแรกนะครับพระบุทธองค์ก็ตัดตรงนิทานเนี่ยหน้ก่อนนะครับ ตา น, นิทานี่ยก่อนนะตนั้าแต่กุสินาติมีพันเตนะที่ว่าตา น, นี้เกาะเพราะนั้นคำพูดตรงนี้เนี่ยก็เลยชื่อว่า น, นิทานคือเป็นต้นเรื่องต้นเท ต, ต, ตที่พระเจ้านะทรงให้พระสารวงสุขสัทีโ่โมกข์ในวรรณิทานอย่างนี้นะเนี่ยได้รู้นะคราบบางีคนเออเขาว่า น, นิทา น, นคืออะไรเนี่ยอาจจะไมก็ไม่เคยเข้าใจในยกรไดนะบางคนนะครับอย่านเป็นอย่างนี้ครับ <S <S ถ้าเราไปอาา่านในพระวินัยจุตดกและจุติหงแล้วก็จะเจอว่าขั้นแรกเลยว ที่พระองค์รงให้สูงนะตัวคือ ป, ปาจิโมก็คือจะตัะกระดำหลั่นดีนะเป็นนฟังเพลงจบนิทาต่อไปนะครับในนิทานุเทศนั้นครับเนี่ยอุเทศเป็นหัวข้อนะคำว่านิทานกับอุเทศมันรวมกันก็เป็นนิทานุเทศก็หัวข้อนิทานใ น, นนิทานุเทศนั้นคําว่าปาจิโมหมายถึงสิ่งที่ประเสริญยิ่งคือสูงสุดเนี่ยนะ สิ่งที่ประเสริญยิ่งสุดสูงสุดทําไมตรงนี้มีคํามทีบายผมไปดูมาแล้วจดมาที่ยคร้อยนะครับสีนะครับถ้าเรียกว่าปาติโมกหมายว่าสิ่งที่ประเสริญยิ่งสุดสูงสุดปรเสริญยังไงท่านที่บายว่าชื่อว่าประเสริญเพราะความเป็นมูลร่างแห่งคุณธรรมท่างหลายทั้งปูอย่างที่นะที่บายนะเรื่องเท่หลหรที่สูงถึงขึ้นไปเนะี่ยจะเลยไปได้ที่สุดเลยใช่ไหมครับก็ใ ส, ส่สนะีเนี่ยปาติโมกหานะ นะคัอันนี้สิ่งที่เป็นยยียงสูงสุดเพราะว่าเป็นมูนลราศนะครับเป็นรากฐานหรือว่าเป็นเหตุ น, นะที่ให้บรรลุนิมิตธรรมทั้งหลายทั้งปวงในชื่อว่าปาติโมก ค, ความจริงอันนี้เป็นที่อของสีนะแม้คำพี์นะครับที่อธิบายเข้าปาติโมกท่านเก็เรียกปาติโมกเหมือนกันคำภี์นี้ก็ที่ชื่อว่าคำพีร์ชื่อว่าประเสรเพราะความเป็นไปกับด้วยคูณประเสริเพราะคำพีน์นี่ยอธิบายถึงสีที่มันปาติโมกนะครับ เป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งสุดสูงสุดนะก็ได้ชื่อว่าประเสริฐด้วยนะครับเเป็นไปกันด้วยคุณสมบัติไปนะครับตามความหมายนี้นะปฏิโมกถึงจะมีเพียงอย่างเดียวปฏิโมกข์เราจะบอกว่ามีอย่างเดียวก็ได้นะมีอย่างเดียวด้วยอะไรด้วยความเป็นสิ่งที่ประเสริญยิ่งสุดสูงสุดนะปฏิโมกมีอย่างเดียวดูความเป็นสิ่งที่ประเสริญยิ่งสุดสูงสุดใช่ไหมอย่างเช่นเวลาเรียนพิธามางก็จะสอนใช่ไหม จิตเนี่ยจะจัดว่ามีหนึ่งเดียอย่างนี้ก็ได้โดยจะพาว่าที่รู้อารมณ์รู้พิเศษซึ่งอารมณ์ใช่ไหมครับนะแต่สา ม, มารถแฝงได้อีกนะตามหมวดทรรมต่างานะอาการต่างานี่ครับเนี่ยแต่ก็ยังแยกเป็นสองประเภทอีกคือเป็นศีอย่างหนึ่งเป็นคำพีอย่างหนึ่งเพราะปาจิโมงนะแฝงได้เป็นสองอย่างศีอย่างหนึ่งเป็นคำพีอย่างหนึ่งสีนเนี่ยเป็นปรมัตา์นะครับตัวงสัมพันธ์ว่าของสีนเนี่คืออะไร คือตัววิรตินะครับนี่ป็นตัวสีเลยนะครับที่เป็นเหตุให้งดเว้นไม่ล่วงละเมิดนะครับแต่ความมีได้หลายอย่างนะเช่นในมิจฉุมางท่านบอกไว้นะอะไรนะเจตนาก็เป็นศีเจตสิกก็เป็นศีสังวรก็เป็นสีความไม่กล้าล่วงก็เป็นสีนะครับมันจะมีตัววิรติแล้วก็มีทำอื่นนะที่สัมพันธ์กับวิรตินั่ด้วยเจตนาที่คือในข้อไหนเนี่ยคำพิบายนะไปดูในมิจฉุมางรันเลยกัน ผมไม่ได้ดูมาแค่เลือกซื้ออยู่ <c oughs> ใครต้องการนะตัวสีเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับไปดูในวิจิตที่มั่งเหมือนกังนั้นแหละอันนี้ผู่สายท่าแล้น <c oughs> คือตัวสีจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะแต่ตัวคำพีเนี่ยเป็นบัญญัตินะครับ <c oughs> คมพีนี่เป็นบัญญัตินะนะครับคมพีนี่คืออะไรถ้าเราเรียนภาษาบาลี้ะแต่แรกๆเลยอาจารย์เขจะบอกน้ว่าวันนะตัวหนึ่งๆชื่อว่าอักษรนะครับ มูอแห่งอักษรชื่อว่าหบทมูอแห่งบดชื่อว่าวากยะมูอแห่งวากยะชื่อว่าคุมพีวรรณตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้แก่ไอ่น่ะเสียงแต่ละเสียงแต่ละเสียงนะครับหรือว่าตัวหนังสือก็ได้แต่นะแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าเนี่ยว่าอักษรใช่ไหมครับแต่พออักษรหลายๆตัวมารวมกันก็ได้เป็นบทนะครับเป็นบทนะพอมูอแห่งหลายๆบทมารวมกันก็ได้เป็นประโยคหลายๆประโยคมารวมกัน ก็ได้เป็นคำพีี่ยนะครับอย่าง น, นี้นะก็จะมีตามลำดับคำพีก็คืออะไรหลายๆประโยคมารวมก็ได้เป็นคำพีนะที่ได้ชื่อคำพีพ่ออะไรเพราะว่าเล็กซ์ซิงนะครับรุ่มเล็กนะมีคําที่บายนะครับที่เล็กซ์ซงเขาเรียกว่าคำพีคำพีแรกใช่ไหมรุ่มเล็กนะอันนี้เป็นตัวเป็นบัญญัตินะครับจิ้งอยู่ศีลท่านก็เรียกว่าปาติโมในพระลำดับเป็นต้นว่าทิ้งสุ เป็นผู้สำรวมอยู่ในปาฏิโมกขสังวออันนี้ยกตัวอย่างมานะที่สุดเป็นผู้สำรวมนะครับอยู่ในปาฏิโมกขสังวอสังวอก็แปลว่าสำรวมไม่ใช่เหรอไม่ซ้ําตรงนี้ยังไงคอามีริงคว่าเป็นผู้สำรวมหมายถึงเข้าถึงนะครับคือถึงพร้อมนะนะครับเข้าถึงคือถึงพร้อมนะอยู่ในปาฏิโมกขสังวอหมายถึงเข้าถึงถึงพร้อมในปาฏิโมกขสังวอนะครับ ปาติโม่แหละเขาเรียกว่าสังวรครับ <c oughs> คือศีลศีลพระปาติโม่นะได้ชื่อว่าสังวรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคําครื่งปิดกั้นนะครับกายทวารแ ล, าล้วิจิตรทวารไม่ร่วงและเมื่อไปทําอะไรที่ไม่สมควรใช่ไหมเพราะเพราะนั้นปาติโมกสังวรเราแลปลตามสารว่าปาติโมกนะครับอันนั้นเป็นสังวรหรือว่าสังวรคือพระปาติโม่ครับหมายถึงตัวพระปาติโม่นะ เป็นสังวรเป็นทำเครื่องปิดกัน้นการถวายวิทาวายไม่ให้ร่วงละเมิดก้าวล่วงศีรษบทนี้ครับนีนะ่ดูในคำอธิบายนี้มักจะดูว่าเลืกซึ่งแล้วตอบแล้วตอบและในคําเป็นต้นว่าปาติโมกนี้เป็นเบื้องต้นเป็นประธานแห่งคุณสมบัติธรรมทั้งหลายเพราะเห็นนั้นจึงเรียกว่าปาติโมก็ยกตัวอย่างนะปาติโมนะครับที่เป็นตัวสีที่ที่พุทธเจ้าตัดไว้นะ ต่อไปคําทีแห่งพระปาติโมก็เรียกว่าปาติโมในคําเป็นต้นว่าก็พิสุนั้นเชี่ยวชาญในพระปาติโมกทั้งสองพร้อมทั้งทร ง, ทรงไว้อย่างคล่องแคล่วชํานาญเขาว่าเชี่ยวชาญในพระปาติโมกทั้งสองนะไม่ได้หมายเขาว่าเชี่ยวชายตัวสภาวาสีที่เป็นวิรติเป็นยตนาอะไรนันไม่ใช่นะครับปาติโมกทั้งสองนี่ก็คือเนีคําำทีใช่ไหม พี่ขุดปฏิโมกติคุณอีปฏิโมกต์นะครับคล่องแคล่วนะช่อมชองนะครับเขี่ยวทางอะไรนะคล่องปากขึ้นใจวินิฉัยได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าคล่องคลองปากเลยนะขึ้นใจนะครับวินิฉัยได้ดีมันก็ตั้งบนปลายนี้ใช่ไหมสามารถวินิฉ <rando> ัยได้บ้างได้ไหมครับอะไรเป็นอาแบบไม่เป็นอาแบบอาบัอาณาบัตนะครับนั่นตรงนี้ว่าอย่างไรนะเนี่ยว่าได้นะครับทรงไวอย่างคล่องแค่วชนะอันนี้ความจริงเนี่ยผ้าในเราเนี่ย ต้องหนัปกปฏิโมกข์้งสองนะถึงจะพ้นิสัยได้นะครับเพราะถ้าปวดมาใหม่สงสารยังไม่ถึงห้าใช่ไหมต้องสอยู่ยกู บ, บาร์างนะครับสมัยก่อนเนะี่ยแต่สมัยนี้หากูบาร์านที่สามารถจะให้นิสัยได้ยากนะเพราะต้องมีคุณนทำหลายอย่างครโดยเฉพาะมีปฏิญาณเยอะอะไรนะแต่ในงานล้วก็ควรที่จะทําัวเอให้พ้นิสัยนะครับเนี่ยอย่างน้อยในขั้นแรกเลยต้องท่องพิคุณุนีปติโมกข์ไ ถ้ามีโอกาสเอาเลยนะครับถ้ายัางท่องไม่ได้สักทีเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนิสัยนะแล้วไม่ใช่ท่องหน้านี่ต้องเข้าใจวินิจฉัยอะไรได้ด้วยครับอย่ันนี้เนี่ยต้องได้เลยถึงจะชื่อว่าอะไรนะถึงจะชื่อว่ารักษาตนได้ น, นะทีนี้พอมีความรู้พรติสัยแล้วนะครับรักษาจะเป็นได้แม้ว่าไม่ได้อยู่คุูบาอาารย์และพรติสัยนะก็สามารถจะลึกไปปฏิบัติอะไรที่อยู่ได้ครับบรรณาสี อันนี้ยกตัวอย่างนะเอับคอมพีนะครับที่ที่นั่นบอกว่าโมโมชื่อว่าปาติโมกเรายกตัวอย่างนี้มาบรรดาศีลปาติโมกและคอมพี์ปาติโมกนั้นที่สู่ได้รักษาศีนนั้นศีนนั้นย่อมทําให้ที่สูดนั้นให้พ้นจากทุกในอาบายเป็นต้นและทําให้พ้นจากภัยมีการติดเตียนตนเป็นต้นเพราะเห็นนั้นศีนนั้นจึงชื่อว่าปาติโมก เนียนะจะแยกสับมาแต่ละตัวเลยมีปาติกะโมกขะปาติหรือปาตินะ่ะแปลว่าผู้รักษาครับปาติ ก, ผ ก, ก็ผู้รักษาเนี่ยก็หมายถึงที่สูงใช่ไหมผู้รักษารักษาศีลนั่นแหละจมกข่าก็แปลว่าทําให้พ้นนะโมกข่าให้พ้นเมื่อปาติกะโมกข่ามารวมกันก็เลยแปลว่าศีลที่ทําผู้รักษานั้นใช่ไหมครับให้พ้นให้พ้นจากอะไรนะ่ะ เขบอกว่าให้พ้นจากทุกทั้งหลายนะทุกทั้งหลายมีทุกในอามายเป็นต้นนะใปทุกทรมารยินะนรกนะถุกต้ม <c oughs> ที่ไร่เชยฟังนะอะไรนะ่าต้มในเราหากรุงผีย่าแม่มอดน้นะําเหลือดสามหมื่นปีมันจะมไปถึงก้นหมอน้อ <c> อ <oughs> นะไรก็มันะก่อนจะขึ้นมาอีกนะทุกทรมานะนะในอามายเนะีนะ่ย <c oughs> แล้วคำว่าเป็นต้นท่าก็หมายเอาทุกในสังสารวัา เนี่ยนะทนพ้นจากทุกในสังสารว่ามีชาติความเกิดชนาความแก่พยาที่ความเจตเมืองและความตายเป็นต้นเขาท่านพ้นจากาทุกตรงไหนทุกฟูหน้าเลยแรกพ้นจากภายัยวยครับภัรก็คือสิ่งที่น่ากลัวนะมีการติดเยียนตนเป็นต้นภายนท่านแบบห น, นะนึ่งสี่นะภัยอาจจะจับได้เป็นหลายหมแล้วภัยนะแต่จะมีหมวดขึไหม่ภัยเป็นสี่คือภยัยอะไรนะจากการติดเยียนตน ภัยคือการติเตียงตนนะแล้วก็ภัยจากการติดเตียงของบุคคลอื่นแล้วก็ภัยจากการถูกลงโทษลงทันภัยจากการถูกลงโทษลงทันแล้วก็สี่ภัยจากทุกตินะครับทุกตินะหนึ่งภัยจากการติดเตียงตนสองภัยจากการติดเตียงของบุคคลอื่นสามภัยจากการถูกลงโทษลงทันสี่ภัยจากทุกตินะครับ เนี่ยภายจาการตีเตียนตนเป็นยังไงธรรมดาคนเราที่บางทียิ่งจะเป็นคนดีอย่างนี้นะครับพอไปทําผิดพลาดก็ไปสักครันะ้งนะจะมีการปิดเตียนตำหนตนเองอย mm hmm. ่างมากครับทําให้ทำไมทำไมถไปทําอย่างนั้นไหนเราไมา่อ่าจะทาอย่างนั้นเลยให้ค mm ุณ hmm. เ mm hmm. ขาได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมหรือไปทําสิ่งที่มีดีที่มันสมควรทําไมทำอย่างนี้นะครับ mm hmm. นี่แหละถ้ า, ร, ารักษาสีนี้ได้นะเราก็จะไม่มีการตีเตียนตนอย่างนี้หรอกนี่แหละนะ และก็ไม่ใช่ตีเสียงตอนอเดียวแม้อาการตีเสียงของบุคคลอื่นนะครับเราก็จะพ้นได้เราทําสีให้บริสุทธิ์ถึงพร้อมที่สีใช่ไหมเขาก็มาตีเสียงมาว่าเราไม่ได้และก็ใครอุการถึงลงโทษลงทันบาอบางทีเวลาเคยทําผิดใช่ไหมทาผิดข้างน้ายแรงอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าได้ภัยอการตีเสียงตนหรือตีเสียงบุคคอื่นเดียวนะอานจะถูกลงโทษนะครับคงจับตัวไปนะ อย่างเช่นว่าปลาชิคข้อหนึ่งเนี่ยไปเสกเมถุนใช่ไหมใช้ไปเสกเมถูนไปฆ่าสมมติ ว, วา่าว่ารูปนั้นน่ะไปเสกเมถูนกับภรรยาคานผิดใช่ไหมครับและเขาจาได้นะและวขาอาจจะมีปืนมีอาวุธนะครับถ้าจจะมาจับตัวไปลงโงษลงทันนะหรือถึงขั้นตายได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นการทําผิดกฎหมายบ้านเมือด้วยนะก็จะถูกลงโทนะครับมีการจองจำใช่ไหมทุกตีทำร้าหรือว่าถ้าขั้นหนักก็คือถูกประหาชีวิตไปเลย นะครับก okay. like right? okay. ็จะพ้นได้ทั้งหมดนะแล้วก็ภัยจะทุกขติอมาจูเมื่อมีการทําผิดศีลใช่ไหมนะครับการทําผิดศีลถ้าบอกว่าเจตนาที่น่วงละเมิดพระบัญญัตินะครับเป็นอกุศลที่มีกํำลังนะอันนี้แค่นีการพูดถึงไว้เจตนาที่น่วงละเมิดพระบัญญัติเป็นอกุรที่มีกําลังแม้ได้ชานฌานก็จะเสื่อมไม่ใช่ธรรมดานะอใจที่รู้ต้องรู้ว่าเนี่ยคือผิดพระวินัย และก็ล้วงละเมิดนะครับใจตอนนั้นน่นเป็นอกุศสที่มีกำลังนับมากเลยขนาะไม่ได้ใช้ทำใช้เสื่อมได้ไม่ธรรมดานะเป็นอกุศสนั่นเต็อนที่นะตอนนั้นหรือถ้าการทําผิดธิพวินัยบางอย่างนะมันเป็นกรรมบุด้วยใช่ไหมครับพอตายปุ๊บเนี่ยก็จะมีงานปติตัวตลอดทาชั่วทาผิดประทับวินัยตลอดใช่ไหมครับโอกาสไปก็จะแปลบ่ายไปบายนะทมื่อเรารักษาสิ่งนี้ยริสุทธได้ดีแล้ว แล้วก็จะพ้นจาไภัยทุกขตินะครับที่ท่านบอกไว้นะ่ะที่สุดที่มีอาบัติติตัวใช่ไหมนะครับมีสติสองคือชอนอะไรนะมีกตินะที่สุดที่มีอาบัติตตัวแล้วก็ตายไปนะ่ะมีกติสองมีที่ไปสองที่คือเดรัจานแล้วก็นรก แช้อนพ่อท่าต้งรู้แล้ว <c oughs> อาวุธเลยแหละนั่นโลกปรินเดชางนะครับตรงนั้นนะถ้ายิงเป็นประลายชี่ก็โหนั่นหนักเลยนะครับอันนี้นะครับก็ท้องใ้นจากพุกนะแล้วก็ไพ่ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาได้ทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับต่อไปเลยประเภทปลาติโม่ในศีลปลาติโมกและคำภี์ปลาติโมกนั้นการอธิบายนี้ ย่อมใช้ได้ทั้งสีปาติโม่ทั้งคมพีปาติโม่เนื่องจากไอการอธิบายอธิบายตรงไหนผมไปคิดกับบาลีเยอะหน่อย น, นะท่านก็อธิบายว่าเอคาที่บ า, า, า, บานี้คืออะไรขับภาษาบาลีก็บอกว่าใช้คำว่าไม่ไม่แน่ใจคําว่าเป็นปัจจุบันหรือว่าหรือว่าอนาคตนะ ค, นครับว่าหามานะนะครับ เขาจะเป็นคำพูดที่กา่าถึงอยู่นะคำอธิบายนี้นะครับก็จะว่าคำอธิบายนี้คำอธิบายนี้คื อ, ก, คค อ, คคอก็คือเมื่อกี้เลยครับไอ้ผดูแต้งนะอ๋อนี่อายังวันน า, ากาอธิบายนี้ถ้าอธิบายว่าวัคขมานะวันนะนะมาหะนี่นะไม่รู้อะนะผมไม่แน่ใจนะอันนี้พอดี หดิบไม่ได้เหลือไว้ที่คุญสีเลยครับเข้าตู้หมดเลยอันนี้เป็นคำทธิบายท่านนี้อ่ะนะที่ที่กล่าวมาแล้วนะครับที่ว่ายังมีคนผู้รักษานเนี <c oughs> ่ยนะน่าจะเป็นตัวสีนะนี่เป็นตัวสีหรือว่า่านจะว่าเป็นคําอธิบายต่อไปก็ได้ครับคำที่บายต่อไปว่าก็ได้นะขออธิบายได้นะครับ <c oughs> ย่อมใช้ได้ทั้งสีปฏิโมและคําทีปฏิโม <c oughs> แล้วเนื่องจากว่าเมื่อมีการอธิบายถึงคําทีแล้ว สีในคอมพี้นั้นก็ถือว่าได้อธิบายด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะเนี่ยในการฐาวิกรณีเนี่ยถามว่าเขาอธิบายไงท่านก็กําลังอธิบายคอมพิข้าปางสิ่งบอกใช่หครับเราเรียนนะทั้งได้หมเลยเพราะเป็นบรรญัติหมดเลยใช่ไหมว่าเราเรียนนะขั้นตอนประโยคขั้วหมดเนี่ยเป็นบัญญัตินะครับแต่ว่าเป็นบัญญัติที่สื่อให้รู้ถึงปรามาสให้รู้ถึงสภาว่าถึงคำบ้ต่างๆี่เจ้าทรงแสดงไว้นะครับทีนี้เมื่ออธิบายดูคอมพิแล้วเนี่ย ก็ได้ชื่อว่าที่บาสีนซึ่งเป็นสภาวัธรรม ง, งวดพ่อคพนะีเนี่ะเป็นตัวสองถึงตัวสภาเานันะครับเนี่ ย, ยนะครับท่านก็เลยบอกว่าสีในคมพีนั้นก็ถือว่าได้อธิบายด้วยเหมือนกันก็คำพีปาติโมกนั้นมีสองคือหนึ่งขุปาติโมกสองพิคุณีปาติโมกอันนี้สองนะครับพิขุพิคุณีในปาติโมกทั้งสองนั้นพิขุปาติโมก กำหนดได้ด้วยอุเทศห้าอุเทศคือหัวข้อครับที่คุณปาติโมมีหัวข้อห้าเป็นต้นว่าสุนาตุเมพันเปสังโคเป็นต้นที่คุณีปาติโมกำหนดได้ด้วยอุเทศสี่มีว่าส e. ุนาตุเมไอเยสังโคเป็น <mac> ต <ING> ้น <polit> ด <ic ulous> ีไหมที Karere. ่คุณีมีแค่สี่หัวข้อมีแค่สี่หัวข้อนะครับแต่ว่าสืบหาบทเรื่อของพระอีกครับสามร้อยสิบแปดนะครับ สามวสิบเอดข้อนะครับโอ้หข้อมันจะจบนะใช้เวลานานกว่าที่มีทฏิโมกต์นะครับทำไมเราเป็นทำไมเราต้องไปเออสืบสาวที่สุนีปฏิโมกต์ด้วยใช่ไห ม, มเป็นคําถามที่ดีนะครับ<ห>ทีเพราะว่าศีลของที่สุนีบางอย่างนะครับเป็นอาบัติปายตีของที่สุณีอย่างนี้นะแต่ของท่ า, าก็จะเป็นอาบัติทุ่กดลงมานะครับหลายที่เลยนะมีบบท่านไปพูดถึง พิสุนีปฏิโมทขิมันแล้วกอธิบายไปตรงนั้นท่านก็จะบอกว่าตรงนี้นะของพิสุนีเป็นนี้แต่ของวิสุทธิเป็นนาบัตทุกตกนะครับถ้าเราไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษานะเราก็จะพลาดจากคําพิบาตรงนี้ไปนะครับว่าไม่ใช่พิสุนียาเนี้ยที่ต้องทําอย่างนี้นะแม้พิสุทธิก็ต้องทําด้วยเป็นนามบัตเหมือนกันแต่ว่าเป็นนาบัตทุกตกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเรศึกษาต้องศึกษาครอบคุมเลยนะถ้าเราจะเรีนวิธีไนนะครับทั้งพิสุทธที่พิสุทธิ์เรื่องศึกษาหมดเลยเพราะมีคำอธิบายที่เกี่องก ความจริงเนี่ยถ้าจะอาจ่านอะไรนวะพี่คุณมีปฏิโมร์แล้วไม่ยากหรอกแร่ไม่ค่อยหนานะครับถือว่ามันจะเป็นแร่ที่บานที่สุดของมิเนอรัลที่ดดเดนะครับที่คุณมีปฏิโมร์แร่ที่บานที่สุดเพราะว่าสิ้าบนที่เป็นสารพันนาเนี่ยเหมือนกันของพิสูนแล้วก็มีท่านก็จะมาอธิบายซ้ําแล้วนะครับตามคำอธิบายเหของพิสูจน์มาแล้แต่ว่าสิ้าบทไหนที่ไม่ได้เหมือนของพิสูจน์ท่านก็จะอธิบายขอ้อนั้นนะครับ น, นั่นแรกไม่นาเนี่ยนะ ทีนี้นะครับพิกุณีปาติโมกกาหนดหน้าได้อยู่ที่สี่มีว่าสุนาตุมเมไอเยสังโคเป็นต้นขึ้นหน้าสามบรรดาพิคุปาติโมกและพิกุณีปาติโมกนั้นพิกคุปาติโมกมีอยที่ห้าคือก็มีหัวข้อห้าด้วยกั น, นะครับคือหนึ่งทานแทหัวข้อท้าสองปาราซิกุเทศหัวข้อปราซิ สามสังฆาริเตศุเทศหัวข้อสังานิเตศสี่อเนจุเทศหัวข้อนิยอดห้าวิถารุเทศหัวข้อวิสดาหัวข้อยางหัวข้อวิสดาอย่างเดีิเทศก็คือคือพูดง่ายๆว่าเป็นตัวแม่บทตัวมาติกาครับพระมเหสีพระปาริโมกใช่ไหมสำหร่บปารณิธานะครับแล้วก็กอรัญชิกเป็นตัวแม่บทนั่ามาติกาแม่บทอยู่ตั้ง เป็นหัวข้อไปทั้งห้าหัวข้อนีอออ้แล้วพอเราเรียนเราเข้าใจพีดก์นะก็จะมีคำอธิบายครับความจริงคําที่บายบปาตจิมโอตั้งแต่คําที่บายว่าพระพุทธเจ้านะเราจะเจอคําว่าสิกขาบุตรวิภัณฑ์นะคําอธิบายสิกขาบุนะตอนนี้นอยู่ในพระมารีอยู่นะครับยังไม่แช่เอกส า, านะตอนแรกพรองตั้งสิกขาบุตรขึ้นมาก่อแล้วก็มีสิกขาบุตรวิภัณฑ์คาจะแน่สิกขาบุตรแคนั้นยังไม่พอ ยังมียังมีบทพาชนีนะครับบทพาชีก็คือบทที่คุณจําแนกครับตรงนั้นนะยังเป็นภาพบาลีอยู่นะแล้วก็มีคําำมีคาถาพิบายชั้นครับนี่ตรงที่เป็นหัวข้อที่ว่านิทานเทศเราเป็นต้นตรงนี้นะก็คือที่เรียกว่าปาติโมกเป็นคาถาบทนะครับบรรดาเทศทั้งห้านั้นสําหรับนิทานเทศหัวข้อทางหลังจากส่วนว่าสุนาตุเมพันเตสังโค เปภาษาบาลีเชื่อว่าไปนะครับสาสัยคือละหาสุโศติีแล้วก็ตัดท้ายสมุนเตบุขุชามีกัจจิธาพ ร, ริสุธาคุตติยมปีขุชามีกัจจิธาภริสุทธาตัดติยมปีขุชามีกัจจิธาภริสุทธาภริสุทธะท้ายสมันโตตัสมะติมือเอวามีตังทารยามิและส่วนคาที่เหลือโดยสุตบทก็คือบทที่เคยฟังไปแล้วว่า อุชิาขังของอาสมันตนิทานนำเป็นต้นจึงเป็นอันสิ้นจบนะครับหมายความว่าอันนี้พูดถึงนิทานวัคเทนนะถ้าเราจะชื่อว่าสูนิทานวัคเทนจบนะครับถึงว่าเราจะส่วนแค่หัวข้อเดียวใช่ไหมแล้วก็ส่วนจบจบมันถึงเนี่ยถึงเรีว่าเมตังทานอย่างนี้นครับแล้วก็ไปส่วนถ้าบอกว่าคําที่เหลื อ, อสุดที่สุตหมด ไปสวดสรุปตอนท้ายนั่นเวลาเราฟังปฏิโมกต์ใช่ั้มตอนท้ายหลัที่จะจบจะมีคําว่าอุทิศทางขอายสัมมันโตนิทานังอุทิศธาตุตารูปราชิการธรรมาอุทิศธาตุรางสารา้างคดิเสสร้างทํามาใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกให้พูดว่าอุทิศทังขอายสมมันตนิทานังแค่นี้นะและก็ที่เหลือนะส่วนด้วยสุตบนสุตบนยังไงดูในวงเล็บข้างล่างๆๆๆนะครับที่เป็นตัวเล็กๆนั่ ที่อาจารย์สัมพันธ์วงเล่มให้นะครับโซเดียสุตตะบทอย่างนี้นะครับสุตตาโคอยัยสมนเตหิหรือใส่ปัญะเข้าไปก็ได้เป็นสุตตาโคปัญัยสมันเตหิจะตารลปราชิ ก, กาธรรมาคือที่ถังของอยัยสมันโต น, นิทานนั่งไปว่าผู้มีอายุท่าผู้มีอายุทั้งหลายอ่านิข้าพเจ้าสวนนิทานแล้วครับแต่ที่เดียวเมื่อเราไม่ได้สวดใช่ไหมเพราะเราจะสวดเทนิทานท่านเคยให้สว ด, ด้วยสุตตะบตว่า สุตาโคปนัยสมนเตหิจตจารปราชิกามธรรมาแปลว่าอะไรแปลว่าปราชิพนะครับอาบัตปราชิพสี่พวกท่านล่างหลายก็ได้ฟังมาแล้วนี้เลยนะสุตาโคอาไอส์สมนเตหิตพอไอสสมนเตหิไตไม่ต้องใส่แล้ก็ได้นะครับให้ใส่แค่เฉพาะตัวแรกตัวเดียวนะก็เป็นสุตาเตระสักดิาา์นิพพานธรรมาเลยครับอ่าอาบัตธรรมาในหมายนี้อาบัตนะครับ <c oughs> อาบัติสันธิเศสที่สามนะครับท่านั้งหลายก็ฟังมาแล้วสุตาภเวนิยตาธรรมานะอาบัติอันยศสองนะท่านั้งหลายก็ฟังมาแล้วแล้วก็ละนะไปยังถึงนู่นเลยนะครับอะไรนะสุตาจัตสุตาสัตตาที่การณ์สมถะธรรมะอ่าอันที่การณ์สมถะนะครับเจ็ดนะ คนเรื่าก็ได้ฟังมาแล้วแล้วก็จบอย่างนี้เลยนะจบตรงนี้เลยจนจบถึงอวิบัติข้ามมานิสิคิพันตีแล้วเราจะไม่ลงวิทรุษเทศวริสีตไม่ลงนะก็เป็นนิทรนุเทศวริสีตเพราะเราจบแค่นิทานใช่หมครับส่วนนี้นก็ชื่อว่าจึงเป็นอนสุดจบนิทานเราจะสูดแค่อันเดียวอันนี้ก็จะอให้ข้าบารีฟังนะครับถ้าหมอว่า ดูความพิสูจนทั age. Age so ้งหลายปาฏิโมกขุนเทนี faith, ้มีห so ้าคือพิสู่สุนิทานจบแล้วพึงสูตเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นปาฏิโมกขุนเทศที่หนึ่งครับเป็นของข้อที่หนึ่งส่วนอยู่ข้อนิทานที่เหลือก็สูตรด้วยสุตตาโพนะส่วนนิทานสูตรปราชิสีจบแล้วพึงสูตเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นปาฏิโมกขุนเทศที่สองของปราชีสส่วนนิทานสูตรปราชีสี สุตังคานิเทศสนสาจบแล้วคพึงสูุเทศที่เหลือด้วยสุตโตบนี้เป็นปฏิโมกอุเทศที่สามสุนิทางสุปปราชิกสี่สุตังคานิเศสนสามสุอันยุทธสองจบแล้วคืพึงสู่เทศที่เหลือด้วยสุตโตบนี้เป็นปฏิโมกอุเทศที่ห้าแล้วก็สุดท้ายสุริพิสดางหมดอันนี้เป็นปฏิโมกขุกิสีนะนิพุกิตนะครับนี้เป็นปฏิโมกุเทศที่สี่สุริพิสดางหมดเป็นปฏิโมกุเทศที่ห้า ดูความพิสูจน์ทั้งหลายปาฏิโมกขุนเทศหนะ้านี้แหละก็มีห้านพครับนี่นะก็คุรกันว่าปฏิโมกขุนเทศนี่ห้าแต่ถามว่าเนี่ยอยู่ดีๆ เ, เราจะสวปาฏิโมก ย, ย่อเนี่ยได้ไหมไม่มีอะไรสืบสวนส่วนดึกดื่สัญญาเยาะเกินไปนั่งเมื่อยไม่ไหว้ะครับส <c oughs> ุดยอดเอาแค่นี้ทางพอไม่ได้นะครับมงาบานะลองตัดมาดูความพิสูจน์ทั้งหลายที่สูจไม่พึนสว ป, ปาฏิโมกโดยย่อ ร่ในส่วนต้องมาทุกข์กดส่วนนย่อไม่ได้นะเส่วนได้จเฉพาะในกรณีที่มีอันตรายนะมีส่วนย่อไะตรงตามวัตถุกรรมพิสูจทั้งหลายเมื่อมีอันตรายเราในส่วนปฏิโมงย่อได้พิสูจน์ปฏิโมงย่อได้ได้สองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือมีอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยให้ส่วนย่อได้กรณีที่สองนะครับก็คือท่าถีละนะเพราะว่าการสูตรปฏิโมงเป็นหน้าที่ของท่าถีนะ ครับภาพศิลาองค์นั้นนะไม่สามารถที่จะสื่อพิสดารได้นะครับกูเทามีห้าใช่ไหมนะครับท่านไม่ได้ทั้งห้าท่านได้แค่สองแค่สองน ะ, ค, ะคือนิทานแล้วก็ประราชิกนะครับอันนั้นก็ยังสวนได้นะครับยังสามารถสื่อได้ยอดได้นะอันนี้ในกรดภาพศิลาไม่สามารถที่จะสื่อพิสดารไดได้แค่สองนะคือนิทานแล้วก็ปรราชิกนะครับ ในกรณีนี้ก็ยังสามามาสุดได้อีกครับเนี่ยท่านบอกว่าถ้าปฏิโมกขุเทศห้าหรือสี่หรือสามของภระถิระยังจําไม่ได้ท่านจําไม่ได้พท่านไม่ได้ท่องมาหรือว่าเรียนหรื อ, อยังไงก็แล้วแต่อา่านจนได้แล้วก็ลืมไปะครับอย่างนี้ก็มีได้ส่วนสองขุเทศหรือแค่นิทานนะครับป ร, ราชิตที่ยังจําได้นะครับเป็นของไม่บกพ่ อ, องชํานาญดีข้องปาปาปฏิโมกองเนื่องด้วยพระถิรักก็ยังเป็นหน้าที่ของภาะเิระอีกครับ นะถ้าเอแต่ถ้าแม้เทียวเท่านี้ท่านย่อมไม่อาจพึ่งทาให้สานานได้แค่จบปลาที่เทียวไม่คล่องนะฮะอย่างนี้ก็แล้วกันยังสวดไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วย่อมเป็นหน้าที่ของที่สุดผู้ฉละเทียวนะครับอเพราะเราจะได้รู้บางทีคนก็ไม่รู้ว่าท่านสุดปฏิโมกย่อมได้ยังไงทดลองให้สวดพิสดารไม่ใช่เนอะมันมีกรณีนี้ที่ฟังมถี่นั้นไม่ได้เป็พิสดารได้แค่สองนะครับเนี่ยก็ ก็ได้ครับแต่อย่างน้องสองนะภาษีได้จะได้แค่นิทานอย่างเดียวเนี่ยย่อไม่ได้นะครับต่ออะไรไนต่อจากนิทานเป็นต้นครับครั้งสวดปราชิสิขาบทเป็นต้นจบแล้วต้องสวดออการกําหนดปลาชิสิขาปลาชิกุเทศนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้แก้นี่ยไม่ใช่ปลาชิกิขาบท น, นะครับเป็นปลาชิกุเทศ เป็นต้นนั้นไว้ด้วยนะครับเคยเวลาเราจะฝึกนะเราจะมีคำว่าอุทิศธังข่อยสมันโตนิทานังถ้าปราชิกเราได้ส่วนด้วยเราก็ต้องสวนว่าอุทิศธาจตารมปราชิกาโคมาเราจะไมนสุดตาโโหใช่ไหมครับเราจะสุตาโโหจะพ่อที่ไม่ได้สวดนะสุตาโโหสุตาโโหแต่ถ้าตรงไหนที่ได้สวนระยะเวลาสุดก็จะต้องอุทิธังโโหนูทิธาโโหกําหนดไปเมื่มีกี่พ่อ อุติธาโคนจตาลูปราอุติธาจตาลูปราชิกาธรรมาอุติธาที่รักษาท่จะมีแท้แท้ธรรมาอุติธาที่เวรียตาธมานะข้อไหนที่ได้สวนก็คือต้องกำหนดลงไปอย่างนั้นนะครับตรงไหนที่เราไม่ได้สวนนะเราจะย่ อ, อ ก, ก็คือเป็นสุตมลเป็นสุตามโคล่ไปฟาติโมกที่ยาวนั่นแหละชื่อว่าวิทธาลูกแท้หัวแท้ที่ยาวนะเป็นหัวข้อที่ยาวอุเท้ที่ยาวตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับ ตั้งแต่นิสิกคีไปีกีนะจนจบเสรคียว่า75็ดสิบห้านะครับอันนี้นะเป็นหัวข้อในการเรียกว่าวิชาลุเทพนะครับลูเทพทยาเพราะฉะนั่นเวลาเข้าสูป่ปฏิโมกกันไงบางลูกอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเวลาจบนิทานนิธานมเทสโซนิสติโตปราสิทกุฏเทสโซนิสติโตสังคาริเสเซสเทสโนิสิโตจบสรุใช่ไหมครับอันนี้จุดเทสโซนิสติโตแต่เพราะทาไมพอมาถึงนิสิคีได้กันไม นิสสกิยาปายติยาธรรมานิสิตาเอ้ามันไม่มอเทศคโซนน่ะนะครับเพราะว่าหัวข้อครับที่เป็นนิสส์อะไรนิสสกิยาปายติยาเทศไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะท่านไปรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่นิสสกีเป็นถึงเศรษฐวัฒนน่ะรวมเป็นหัวข้อเดียวนะครับเป็นวิถาลูเทพของเขาทสดนะเพราะอันั้นตอนนิสสกีไปเดียวก็เลยเปลี่ยนเป็นนิสสกิยาปายติยาธรรมานิสิตา อาจจะไม่ใส่ธรรมาก็ได้นะครับเป็นนิสกิยาปิฏ ย, ยานิสิตาถามว่าถ้าไม่ได้ส่วนอย่างนี้นะเป็นนิสกิยาปิฏ ย, ยุเตสวิสิตเโวจะเสียหายไหมจะเสียก ร, รมาวาจาเสียปฏิโมกข์ไปหรือเป่ามันก็ไม่ได้เสียนะครับกรรมก็ไม่ได้มีบัณนะกรรมก็ไม่ได้มีบัณครับเนี่ยเปียนแต่ว่าที่ที่เราสวดเป็นธรรมาแทนอย่างนี้นะเพราะว่าข้อปฏิโมกมีแค่ห้านะก็เลยสวดนะ อย่างนี้นะครับก็เพราะพระบาลีว่าที่เหลือควรสวดด้วยสุตหมดคือบทที่เคยได้เคยฟังมาแล้วบรรดาป ร, ราชิกุเทศเป็นต้นสวดฆ่ า, า, าททุุุุททุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุวุุุุจบนั้นต้อง ส, สททุุสุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุวุุุุุุุุุุุุุุุุุุนะครับกําลังจะขึ้นป ร, รุุุุุุุนะุุุุุอันตรายขึ้นุุุุุุ ก่อขงพ่อเนี่ยให้สวดปาฏิโมกข์ไปย่อได้นะแต่ถ้าเรยังยังไม่จบอะไรเลยจะไปย่อได้ไหมมันย่อไม่ไ <chester> ด้นะนิทาว่ายังไม่จบจะไปย่ออย่งเงี้มันจะรองท้าอะไรเนี่ยมันไม่ได้เอาเท้าไปแพ้นะเนี่ยย่อคือไม่ต้องสุดทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ต้องสุดทั้งหมดแล้วก็มาสูสูตาโขเลยปลาชิกชิกทมหาก็ฟังมาแล้วนี่แหละอืมไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นนะสวดนิทาน กำลังสืบปราชีอันตรายเกิดก็ย่อเลยนะครับรวบเลยนะอันตรายนั้นไม่ได้แล้วตาโหไปเลยหรือว่าปราชีเสร็จแล้วขึ้นสังกะทิเสเป็นต้นนั่งก็ไร่ไปเรื่อยนแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะพอเกิดอันตรายขึ้นก็เราสามารมันจะรวบได้นะครับเป็นสตาโหไปเลยพอกิดอันตรายเอาเอาชีวิตรอดไว้ก่อนมันมีภยมาแล้งครับสามมันถึงจะย่อหน้าอันตรายนะครับที่ทําให้สืบปฏิโมยย่อหน้ามีอะไรบ้าง ก็มีสาราสิบอย่างด้วยกันนะครับก็คืออะไรหนึ่งพระราชาเด็กมาครับต้องหลีกทางไว้ให้หมดน่หรือว่าออกไปต้องรําสู้นะครับถึงทําเมินเฉยไม่รู้ไมีชี้น้องคงพี่โอบมาเนี่ยสังนะครับนั่นไม่ได้นะต้องไปนะครับถลุกเลยทีเดียวนะครับได้ได้ไม่มีโทษอะไรแล้วก็สองมีโจมมาป้องอันนี้การชีวิตเราไม่ก่อน ที่สุดก็โจรมาปล้นนะมางีมานจะมาทําตลาดในผ้าก็ได้ใชไหครับแล้วก็สุปแล้วก็หนี้นะนี้ได้เลยนะครับอแล้วก็หาไฟไหมนะครับเกิดไฟไหมนะไฟไหมวัดไหมสาราเนี่ยต้องช่วยกันมาดับไฟแล้นะครับสมัยก่อนอยู่วัดป่าที่ไหมไฟลามาเนี่ยจะมาไหมวัดไหมที่อยู่ของพานครับก็ต้องเนะี่ยสวดยอกไปเลยแล้วก็มาช่วยกันดับไฟนะครับหาวิธีนะที่จะไม่ไ ฟ, ไฟป่าลามา อนีไฟไหม้ถ้บอกว่าไฟป่าลามมานะครับหรือเกิดไฟขึ้นในแ aval อะนะเกิดไฟไหม้สุสติที่อยู่ศาลาโบอะไรอย่างนี้นะครับต้องรีบเคลื่อนหลับไฟนะครับแล้วก็น้ําหลากมารัสมัยก่อนถ้าอยู่ในป่านี่นะว่านป่าเนี่ยบางทีน้ําป่าหลากมันน่ากลัวมากนะเสียงมันดังมันตัแต่ไกลนียนะครับน่ากลัวถ้าไม่รีบหนีนะแสดเลยนะครับไม่สามารถที่จะข้ามทางไหลน้ําได้นะครับ ในตอนี้เราอยู่เนี่ฝนไม่ได้ตกนะข้างหน้าไกลนู้นครับฝนตกนะบางทีเนี่ยเวลาหน้าฝนบางทีก็จะไม่ไปเที่ยวน้ําตกเลยมันทีอันตรายเลยครับฝนมันตกมาจากข้างหน้านู้นหน้าไกลไกลเลยแล้วบางทีมันหลั่งมาเนี่ยมันทุวนทับแล้วก็พันไปอย่างแรงเลยคนไม่สามารถที่จะรอดได้บางทีก็ตายทางนะครับอันนี้ก็ต้องย่อหน้านะที่รีบหนีก่อนนะหาทางแก้ไขก่อนแล้วก็ครับคนมากันมากนะครับพวกผ้าเต็มไปหมดนะ ถ้าบอกว่ามนุษย์มากันมากนี้เชื่อมนุษย์สัตว์ร้ายนะครับมาได้เยอะมากมายเลยรุย่จะมาทำอะไรอาจจะมาทาบุญนะในเรื่องของเรื่องเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องหนะึงมีพวกชาวโงมานะครับมาเต็มรุ่นมาทำอะไรมาในว่างนะครับเขาไม่รู้ว่าเป็นชาวป่าชาวเขาชาวโดงเนี่ยนะเข้ามาในวัดเองเลยบางทีอาจจะมาเข้ามาทําอะไรเสียหายในวัดนะหรือจะมาเข้ามาในโบสถ์เราไม่ท้ากาลังส่วนหรือนะครับต้องกลัวหล ก Không, ้อนยิงที่คนมาเยอมากมีหลายหลายแบบเลยนะที่โยมากันเยอะๆก็มีทำมาทำบุญใช่เลยนะเป็นมาพิเศษมากทั้งวันนะครับน่ามั่นสงระทายเลยโว้เหนื่อยเลยนะ่มีครับหลายก็มีเราไปอ่านหน้านะครับในในวิทยุโยนเล่มที่หกนะใ่วิทยุเื่มที่หตั้งแต่หน้าที่สี่ร้อยสามสิบสองนะครับกอ่านมาเรื่อยก็จะเจอนครับพบาตต่าง แล้วก็ต่อไปผีเข้าไปสู่นะครับผีเข้าไปสู่เนี่ยโหก็ดตันเกิดขอบอการแล้นหน้าหนะะักน่นครับอันนี้ก็ย่อดได้เลยมาช่วยเหลือท่านนะครับเวลาผีเข้าไปสูน่ให้ช่วยยังข น, นาดผ้าแล้วก็ผียังเข้าหน้าเนี่ยมัะนเป็นธรรมดาเลครับก็ให้ทางี้นะครับสวดพระปรลิต์เลยครับสวดพระปริตกันเลยน ะ, ะ, พ ะ, ะเพื่อนกะ็ให้ผีนี่ยออกไปนะ หรือว่าจเจเลยเม่ตาพระริมก็จะมีกรณีไม่ตาสูดใช่ไหมครับยรรร อ, อย่างชลัตนนาริตอย่เนี่ย น, นะขนาดเมืองภายสาดีกิดภายน่าสามอย่างยังไรสง บ, บเลยใช่ครับแหละสู่พระริมเเลยหรือว่าถ้าบอกว่าแสดงคาให้ผีฟังไปเลยครับอย่างฝึว่ไหนก็พูดถึงนะถ้าผีจะเชื่อฟังนะแสดงคำฟังเลยยอมโยงแ <c oughs> สดงแสดงจะมาเบียดเบียนกันเลยเว่ยมไม่ไม่ยอมให้นยอบด้วยการจองเวก็ม ถ้าเขาพูดถึงเนะว่าที่อะไรนะคนที่เป็นบ้าเพราะว่าถูกผีเข้าท่านที่บ้านนะท่านวินัยเลยนะเมื่นี้ผีในอารมณุต น, นั้นนะ่ะเคยเป็นคู่เวรกับคนนั้นมาก่อนนครับแล้วก็มาตามร้างแค้นนะมาหลอกมาหลอกให้กลัวจนเป็นบ้า น, นะคนนั้นก็จะเป็นบ้าคือเป็นพักพังนะขณะที่ผีเข้าท่านบอกว่าโรคที่ผีเข้าทำให้เป็นบ้านี้นะเป็นโรคที่รักษายาก ม, มากเพราะมันอยู่ต้องผีออกให้ได้ มันต้องปากเยี่ยนได้เพราะกั้นก้อนเนี่ยก้อนจะมาคอยแนะนำเร่ ง, งครับอืมจ า, านนะ้อันนี้ก็นะครับให้ให้มันช่วยวิสุทธุ่นนี้ก่อนยอหน้าต่อมาสังร้ายเข้ามานะครับสังร้ายมีเสือเป็นต้นที่เข้ามาชืวว่อว่าอันตรายรีบหนีเลยนะครับสุดยอดแลก็รีบหนีเลยโพวเสือโพว ส, นะสิงนะสมัยก่อนพวกมันมีเอาจับผ้ามากินใช่ไหมก็ยังมีเลยครับใน อ, อันตรายต้องห น, นีก่อน แล้วต่อไปนะครัมีงูร้ายเลื้อยเข้ามางูนะสัตว์มีพิษมีงูเป็นต้นกัดที่สูงนี้ชื่อว่าสิลิงสปันตาราก็ต้องช่วยกันรักษาพิสูตลุ่มนั้นนะครหายามอาหามิกัด น, นะถ่ายยาอะไรยังอนไม่ได้ตอนนั้นยังหายามิกัดมูนคูดเท่าดินใช่ไหมครับความที่แม่แต่ถานคูดเท่าโกถาเนี่ยมันจะอยู่ซอบพิษนะครับก่อป่าเข้าไปเลยให้กินไปก่อนนะไม่มีสมบัคุณอยู่ซอกพิษนะครั แล้วก็รี่มาช่วยพาลูกนี้ก่อนเพราะท่านถูกบกั่นะเนี่ยครับแล้วก็ต่อไปอพิสูอาผ่านหนะักถึงจะเสียชีวิตนะครับท่านเกิดปนะ่วยหนักตอนแรกอาจจะป่วยอะไรอยู่แล้วนะพอสูดไปสูมาอาการกําเริบหนะักขึ้นนะครับไม่ไหวจะตายทีนี้แล้วก็ส่วนย่อเลยนะครับแล้วรีบพาไปหาหมอนในเร็วเลย <c oughs> สมัยนี้นะช่วยได้นะครับพิสูอาผ่านนะครับหรือทำการกิจการ โอ้ยตายตอนนั้นเลยนะเนี่ยต้องช่วยแล้วนะครับอันนี้หรือพวกคนมีเวรกันปองจะฆ่าจับที่สูนั้นนี้ชืช่อว่ตตาชีวิตตายชีวิตอานตรายไม่ได้แค่เป็นโยมุท่านไปทําอะไรมานั้นมีผู้อื่นจะมาตามข่าง น, นะครับจะม า, าชีวิตท่านตอนนั้นแล้วนะให้รักษามายกปันิโม่หน้าแล้วก็ช่วยเหลือท่านนะทานีอะไรเป็นต้นนี้นะครับมีแล้วก็สิบมีอันตรายแก่พรมจันอะไรนี่ สาวแก่แม่มนะ่เนี่ยนบอกว่ามนุษย์ประสงค์จะให้พิสูรรูปเดียวอยู่หลายรูปเคลื่อนจากพรหมจรรย์จับเอาไปนี้ชื่อว่าพรหมจะไย์ยันตรลายเ น, ะนียะครับบางทีญาตพี่น้องก็มีนะนะครับจะมาจับหรือว่าภรรยาเก่านี่นะครับจะมาจับพระศึกไปนะนะครับเพราะเขาไม่ไดีเขามาได้มาคนเดียวสมัยก่อนนะอย่างนี้ให้สามีขาเขาศจะมาจับเอาไปดื้อๆๆเลยนะโดยพระาราชกันเองนะครับหรือว่านุ่นที่เป็นคู่เวคู่า น, นีชนะ ก็จะบรรจับให้เสียพรมัญจันลักษณะอย่างที่เพื่อ น, น, นพูดไว้นะ่ะถ้ารุงนี้เขาเป็นข้ามาก่อนแล้วก็หดีออกมาแล้วก็มาบวชเราผัวนายนะ่ะนายก็ตามหานะครับพอมาเจอเป็นภาพเข้าไม่ละเว้นนะจะมาจับซึ่งการกลับเป็นข้ามเหมือนเดิมพนะยิง่งก็มีนะครับนี่นะนั่นจะไม่บอกเป็นอันตรายก็ยอ่อปฏิโมลแล้วก็ไปช่วยเหลือท่านพานพนีก็จนต้นนะครับนะนี่นะครับ ในอารมเห็นปลานี้พึ่งส่วนปลาดิโมกย่อดนะนี่นะถ้าบอกว่าจับพึงส่วนอุเทนที่หนึ่งหรือส่วนสองอุเทนสามอุเทนสี่สอุเทนพุ่นต้นก็ตามในอุเทนเหล่านี้มีอุเท่ที่สองเป็นต้นคือปลาชิดเป็นต้นนะครับเมื่ออุเทนใด ย, ยังสุดไม่จบเรียงตารางอุเทนแม่นั้นพึง ส, ส่วนด้สิตตะบกทีเดียวนะก็เหมือนที่รูปแบบแอลนะเนี่ย อย่าง น, นี้นะครับความจริงเวลาเกิดฆ่าตายขึ้นมันนะเวลาอย่ขอพูดสมัยเป็นเรื่องที่แบบโอหน้าสะดล่นังด้วยใจมากครับมันมีอยู่ตอนที่ผมรู้สึกว่าน่าน่าน่าสล่แล้วก็น่าคิดนะคือเวลาข่าตายเนี่ยบริคาทั้งหมดจะตกเป็นของสงใช่ไหมครับให้ที่รู้พยาบาลใข้เนี่ยสองก็สมมติเอาบาทและทิจิวเนี่ยให้แกที่เป็พยาบาลใข้ใช่ไหมครับส่วบสนบริคาที่เหลือถ้าเป็นละหุพันอะ ก็จะมาแจกกับทั้ทงหมดครับทําสนามแจกกันนะท่านยึดถือท่านอยู่นะท่านยึดถือว่าเนี่ยท้ท่านก็ท่านยึดถือท่าเป็นผ้าหันก็ไม่ยึดถือแล้วนะถ้านก็เนี่ยว่าตรง น, นี้เป็นของท่านทุกท่านเอาถ้าธรรมดาผูุชนเลยก็มีความยึดถือว่านั่นของเรานี่ของเราใช่ไหมบริขารเต็มเ น, นะครับเต็มกล่องเลยเนาะหรไม่รู้กี่ตู้อะไรต่ออะไรนะของเราหมดเลยแม้ท่านไม่ซุงไม่สลิมเนี่ยมีความยึดถือเป็นของเราอะไรก็แต่พอตายไปนะ แม้แต่ไฟล์ยเล็กนึงนะครับปล์ผมนิดเดียวเนี่ยก็เอาไปไม่ได้นะแล้วภาพในธรรมะเนี่ยต้องมาจับขนานแบของท่านนะครับมาแจกกันแจกแจกกันโอ้เป็นภาพที่โอน้าสนใจมากนะเพราว่าเนี่ยทำไมเราไปยึดติดกับติดขนานนั้นท่งนี้ตาไปแล้วมาเอาเะี่ยปไม่ได้ไห้นะไม่ได้หายจินครับไม่รีบเลีก็ไม่ได้นอกจากคุณธรรมทหลายที่เราได้ดูคือปฏิบัติได้เมืองเพนไว้ใช่ไหมครับเนี่มันทําให้แบบพอนึกแล้วนะ มันทําให้ไม่ไม่ยึดติดอะไรได้กันครับทไม่อยากสั่สมบูริจามากเพราะรู้ว่าผมว่าใครอยู่เนี่ยก็ถามก่อนมีผ้า ผ, าาาผาวว้าหนูาตานตาเนี่ยเราก็บริหามาแจกกันอย่างนี้แหละเป็นผ้าหรื่อหน้าสดใจมากนครับชาล็อกเขไม่ได้ทาอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาก็เป็นบริจาคมาอะไรบ้างแต่นี่โหเรามาแจก ก, กับคนที่กําลังอยู่นี่กันเลยนะจะรู้สึกยังไงนะครับไม่ใจดำเกี่ยวกับการไม่ใช่ตานะสิ หมายถึงว่าแจกกับท่านที่อยู่ด้วยกันกับท่านอะไรก็รู้ว่าเนี่ยเป็นของท่านในก่อนแนละ้วพอิ่านายแล้วก็นกกเนี่ยหมดไปไม่มีอะไรเอาไปได้อะมาไม่เขาเรียรรกมรณะนะคุณตาอืมนะครับไปอันนี้มนเมื่อส่วดเมื่อแช่เมื่อส่วนปราชิกขาบุตยังไม่จบมีอันตรายเกิดขึ้นให้ส่วดโดยย่อว่า สุตาข้อยสมันเตหิจตารูปราชุกามาสุตาข้อยสมันเตหิตเจราสักสังคนิเศสามาสุตาข้สมันเตหิเทเวนิยสถานมาไปเอตกะงตระศักควาโตสุตาทัังสุตตาปริยปันนังอนุวัตถมาสามเทสังขจติปัฏฐานปเทนีว่าสมัทเขหิสัมมุทมาเนหิอวิยธรรมมาเนหิสิขิตพันตีนะครับถ้าเราย่อแค่นิทานก็ จะไม่ริษัทเทโซแล้วนะแล้กก็ริษัทเทโซนิคโตถ้าย่อแค่ปราชิ้นก็ปลาซิกุนเทโสนิคโตอย่ต่อไปแต่ถ้ายังส่วนนิทานยังไม่จบนิทานก็ยังไม่จบเลยจะส่วนนิทานแค่นั้นโดยจะจบไม่ได้ครับจะย่อแต่นิทานน่ยไม่ได้เลครับต้อจบต้องครบหนี้สําหรับปฏิโมกของฟิษุณีไม่มีอนิจจเตถ์เนี่ย ของปรารของพิสูจนเนี่ยนะปรัชิโมกของพิสูจมีหัวข้อ 5, ห้าครับของพิสษุนีมีสีแล้วก็เว้นอนิยตุเทตกไปของพิสูจนีไม่มีอนิยต์นะครับมีแต่นิทานปร า, ารชิกนาิเศษแล้วก็วิถีลุเทเลยแต่อนิยตออกไปครับของพิสูจนีก้ก็เหลือสี่อุเทนอุเทนที่เหลือมีอธิบายอาุเทนของพิสษุตามที่ว่ามานี้เป็นเพียงการอธิบายความหมายปรัชญโมทั้งสอง ที่กําหนดด้ยวยอุเทนค่าสำหรับพิสุปอุเทนสี่สำหรับพิสุณีเนื่องจากว่าในบรรดาปาติโมกทั้งสองนั้นพิคุปาติโมกเกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นลําดับแรก ข, ข้าพเจ้าจะกล่าวคำนี้ไว้เพื่ออธิบายพิคุปาติโมกนั้นครามสำคัญท่านจะอธิบายปาติโมก่อนนะแต่ที่เรียนกันเราจะเรียนแค่พิคุปาติโมกนะครับที่อาจารย์ครับสำคัญท่น ส่วนพิสุนีนะถ้าเราเข้าใจที่ปุตติโมดีแล้วไม่มีปัญหาเราไปไหนเองเข้าใจได้ครนะับนะข้าพเจ้าจะวินิจฉัยความหมายของบทว่าสุนาตุเมพันเดงต้นขอพิสูจทั้งหลายพูดสมบูรณ์ด้วยสีไข้การศึกษาจงตั้งใจฟังเธอโ <c oughs> พู้สวดปาทิโมทีนี้จะขึ้นแล้วนะ ขอให้เปิดหนัส e ืบทสวดวิถีนะครับเนี่ยจะเริ่มนะวเปิดเป็นที่หน้าหนึ่งร้อยสี่เจ็ดถ้าหมดเวลาบอกด้วยนะยนมีการอยู่ข้างมาจามีการเดี๋ยวถ้าเลยนะควรจะเลยเนี่ยหน้าร้อยสิบเจ็ดนะครับนึกจะดูตรงนี้เลยอ่านมันแถลงนะมันจะอ่านท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังคําของข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันอุนโบสถ15ค่ําหรือว่า14คำ่ำอะไรแต่นะครับข้าประตะกัลลนะก็คือความถึงเพราะพิ่งมีแก่สงขอสงเพิ่งกระทําอุโบสถเพิงสวดปาฏิโมท่านใจที่บ้านแต่คําว่าสุนานตุนะครับตั้งแต่คว่าท่านผู้เจริญนะอันนี้พันเตะใช่ไหมครับสสังโขนะขอสงขอจงฟังคือสุนานตุ เมฆข้าพเจ้านะท่านจะอธิบายกันแต่ละคําเลยนะถ้ามูเจริญพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าวางบนสดเรบประทังกันละเราจะอธิบายหมดเลยนะก็อธิบายประตานี้นี่เรามาดูกันดูคํามที่บานในกลางครับก็ในคําส่วนนั้นคําว่าสุนาตุกนี้เป็นคําเชิญให้ฟังสุนาตุเริ่มต้นใช่ไหมจงฟัง แต่ว่าความจริงเนี่ยในตัวบาลีนะครับท่านบอกว่าเป็นคําสั่งให้ฟังเลยครับสานะสาวนานาติวัจ น, นนะครับอานาติว่าคาสะนะัส่งคําสั่งฟังว่าจงฟังนี่อาจจะไปให้พ่อนะเพราะว่าคำเชิญได้ฟังนหมครับชื่อเชิญหรือไงพาขึ้นนะครับ <c oughs> หรือาอานาติแปลเพราะว่าเชิญได้ก็ไม่ริ้นะ <c oughs> แต่ที่จะเชิญคืออานาติว่าคะนะําสั่ง เนี่ยให้ฟังเลย <c oughs> จเจ๊แจว่าคำคำตาน จ, จะดูหนักไปใช่ไหม <c oughs> ให้แปลวา่านี่นะครับขออีกจงปังนะครับอ่าคำว่าเมย์จงปังซึ่งคําของขาา้าพเจ้าเมย์ว่าของขาา้าพเจ้าเป็นคําที่ผู้สวดกล่าวแสดงตนครับคําว่าพันเตท่านข่ายท่านมุนนนนจเรญเป็นคําแสดงถึงความเป็นผู้มีความเคารพและน้ำถืออย่างนิ้ง มีความเราะเรานำผิวหนังดอกกระสุนใช่ไหมใช้<ม>คำว่าคำเต็มคำว่าสังโคเป็นคำกลางถึงหมู่พิสูจน์ไม่ติดปากท้ า, ทายไม่มีอะไรยากก็คํานี้ทั้งหมดพิสูจนผู้สวดปาติโมกจะต้องสวดก่อด้วยว่าพุทธมัท้าเมื่อทรงอนุญาตการสวดปฏิโมกได้จากคํานี้ไวแ้แล้วหนักจะพือนี่นะครับอย่างที่ได้บอกมาแล้วนะ ตอนนิเบตจา้าทรงบัญญัตการสุปาฏิโมกข์ครั้งแรกเนี่ยพร้องได้จักคำนี้ไว้ก่อนนะครับเขาว่าสุนาตุเมพันเตจนจบนิฐานนะคำตรงนี้เนี่ยพร ะ, ะองค์จักเลยนะครับเพราะนั่นตรงนี้แทนก็นเลยว่านิฐานนะคิดว่าต้นเหตุหรือว่าต้นนิดหนึ่งนครับทิเบตจ้ามัญญัติให้สุดปฏิโมกข์นะต้องส่วดฟันเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่สุ่ใดจะสวปาฏิโมกข์ที่สู่นั้นถ้าเป็นฆาต ข, ขังฆาเถระต้องสวดว่า จุน้าจุนีอ า, โโ า, าร์มโซใช่ไหมนะครับพรถ้าถือลรที่สุดแร็ปในสงน่ะก็ใช้ว่าอารโซโถ้าเป็นผู้อ่อนภาษาเราเท็นฟาเธียร่าต่าตนนะอ่อนภาษากว่าต้องสุนว่าพันเตตามหลักฐานที่มาในพระบาลีอันหนึ่งพระสังฆาเถร่าเนี่ยตกเคําะว่าค่าไปนะนั่งคอนรังตกไป พระสังฆเถระควรส่วดพระปาติโมงด้วยตนเองเพราะว่าการสวดปาฏิโมงเป็นหน้าที่ของพระเถระนะครับตามพระธนัมว่าการสวดปาฏิโมงเป็นหน้าที่ของพระเถระเนี่ยหรือพระนวกการจะสวดก็ได้ตามพระธรัมว่าที่สุทั้งหลายเราอนุญาตการสวดปาฏิโมงให้เป็นหน้าที่ของมิสุทธิผู้ฉลาผู้สามัญในหมู่สงนั้นธรรมดาก็เป็นหน้าที่ของพระเถระแหละนะครับ ทนี้ถ้าพระเถระไม่สามารถเสดปฏิโมกได้ก็ถ้าน้องมกาสปฏิโมกข์ได้ก็มะชิมาหรือว่าน้อกาะนะครับมการคืออ่อนพระเถระนะสูตปฏิโมกได้หรือว่าบางีพระเถระสูดได้รือถ้าไม่สะดวกใช่ไหมหรต้องการหนุ่ม่วนบ้างเนี่ยท่านก็ตามารถเฉยๆหนุ่มอส่นวดก็ได้แต่ทำน้าท่านสวดไ้นะท่านก็ต้องสวดนหะท่านอาจะสู็เองครับทป็หน้าที่ของท่าน ถ้าเราไม่สวดไม่ได้หรือไม่สะดวกหรือต้องการอยู่ส่วนบ้านก็าสา ม, มารถทําได้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยพิสุทธต้องหลายเราอนุญาตการสุดปฏิโมฆให้เป็นหน้าที่ของพิสุทธิ์ผู้ชาะผู้สา ม, มารถในส่วนสองนั้นที่สามจะสวดได้ต่อไปประเภทประเภทสองครับก็ด้วยคำว่าสังโฆนี้ถึงจะกล่าวถึงหมู่พิสุทโ ด, ดยไม่แตกต่างกันก็จริงนะสองนะครับ ถึงกันนั้นสงนั้นก็มีสองประเภทสงแ บ, บ่งได้เป็นสองนะคือพภาคทัศคินัยยสง์และสมุติสงครับ้าคินัยยสง์ได้แก่ผ้าเรียบุคคลแปงจำพวกนะครับอันนี้เห็นไหมใช่ไหมสี่คู่แปดบุคคลใช่ไหมครับตั้งแต่ภาคสมุดาปฏิมาสมุดาปฏิผล น, นะถึงรหัสธรมะธรรมผลครับทัศคินัยยสง์และสมุติสง์ ในสองสองประเภทนั้นหมู่พ้าเรียบุคคลแปดท่านเรียกว่าท่ากินายสองอันนี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นผ้าป็นโยมอะไรนะของเป็นผ้าอริยบุคคลนะครับบอกว่าผ้าที่บุคคลแปดจำพวกแปดท่านนะ่ยเรียกว่าท่ากินายสงเพราะเป็นพ่อสงผู้ควรแก่ท่ศาศีลนาะครับควรแก่ทางที่บุคคลเชื่อโลกหน้าแล้วก็ถวายนะเพราะว่าถ้าบุคคลแล้วก็ทําทางที่บุคคลถวายแม้เล็กน้อยนะครับแค่เป็นของที่มีความค่บูร เรเป็นนินะาขอชาโลครับพนนเป็นท่านกินเยสองนะสมผู้ควรท่าิน า, า, น, น, านี่เรียกว่าภ่านนเยสองครับหมู่พิสูดโดยความไม่ต่างกันแห่งพระ อ, อริยะในกุฎิชนซึ่งเป็นพิสูจน์ในศาสนาเรียก ว, ว่าสมุติสองรสมุติสองนี่สองี่ได้แก่หมู่พิสูนถ้าอันนี้เจาะจงนะมไม่เอาโยงมแล้วนะครับสมมุติสองนี่คือหมู่พิสุจ และก็ไม่ได้มุ่งเฉพาะพระอริยังอย่างเดียวนะหรือบุรชนอย่างเดียวนะครับหมู่พิสูุทั้งอธิย่าทใ้งุรุษชนเนี่ยกาเป็นหมู่ิสูจน์ก็ล้วกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสมมติสองนพี่นะพอมาทีเขาแปลมาสมมติสองไม่ถูกใช่ะหอสมมติสองสองโดยสมมติก็ได้แก่พิสูจที่เป็นบุรุชนความจริงไม่ใช่นะครับก็หมายถึงหมู่พิสูจนทั้งหมดแหลกหรือไม่ต่างับ ท่า น, นี้เปิดอนิยันิคนไม่แล้วแต่เนียก็ชื่อว่าสมมุติสสังนะในยติอุโบสถกรรมนี้นะครับมุ่งหมายเอาสมมุติสสังนั้นนะครสมมุติสสังที่ท่านขึ้นต้นคําว่าสุนาตุเมพันเดสั ง, งโคใช่ไหมคาว่าสังโคเนี่ยขอสงตรงฟังคําขพระพเจ้าคำว่าสงในปาติโมงทีนี้นะครับก็หมายถึงสมุติสสังนันแหละ และสองนั้นว่าตามวินัยกรรมก็มีห้าคือสมมุติสองนะว่าตามวนกรรมแล้วก็ยังไม่ไเป็นห้านะครับสามารถทำสัญกรร ม, มต่างได้นะเี่ยเป็นห้าประเภทนะครับคือหนึ่งสองจตุวะนพวกของวิสุทธิสี่รูปนะพวกของวิสุทธิสี่รูปสองสองปัญสาวะวพวกของวิสุทธิห้ารูปสามสองท้าสวะวะ พวกของวิสูสีรูปสี่สงมีสติวักพวกของวิสูสีรูปห้าอาติอเรกามีสติวักพวกของวิสูยีย่ิบเอ็ดรูปขึ้นไปคํา<ม> ว, ว่าวางเปพว่าพวกนะครับจตุกกตสี่นะให้แปลว่าพวกของวิสูสีรูปเป็นต้นบรรดาสงทั้งห้าพวกนั้นสงจตุวักสามารถทำสุนันกรรมได้ทั้งหมดเวนอกโสดกรรมเว้ น, นกผสมบทกรรมปวารณากรรม และอภหารเก่าเนี่ยนะลงปฏิโมกนี่ใช้สจตุวะสอสีลูกก็ลงได้นะท่านครับกำะาวอย่างไรนใช้สงสี่ลูกก็ทำได้นะครับแต่ว่าอุปสมบทนะครับใช้เพาะสีลูกทไม่ได้ในมัชิมาชนมบทในอุปสมบทใช้ผ้ากี่ลูกครับห้าลูกครับถ้าในปัจจันตชนมบทใช้ผ้าอย่างอย่างน้อยเนี่นะ ขปัจจันตชนบทห้าลูปใช่ไหมมัชชีนอชชนบทสี่ลูปอย่างน้อสี่ลูปครับเนี่ยนะข้อนั้นเนี่ยอันนี้เว้นนะครับเพราะว่าสงแค่สี่ลูปนะอุปสมบทไม่ได้ในมันชีนอปัจจันต์ก็แล้วแต่เพราะอย่างนั้นปัจจันต์ก็ยังต้องห้านะครับปารณากรรมนะครับปารณาก็เหมือนกันนะความมีปรณาที่เป็นสังฆปรวนานะครับต้องใช้ประสงค์ห้าลูปอย่งน้อยทำได้แต่ถ้ามีสีู่ปก็จะเป็น คณะต่อเวลานานไปครับอันนี้และอภานกรรมมันใช้ม่สู่ตั้งยี่สิบรูปนะครับสองสี่รูปมัทําไม่ได้นะครับต้องเนี่ยยี่สิบรูปนะต่อไปสองปัญจวัคซ์สองพวกห้าสามารถทำสูนยกรรมได้ทั้งหมดนะครับและอุปผสมบทกรรมในมัชฌิมาประเทศเพราะต้องใช้ส0รูปและอภานกรรมนะครับก็ใช้ยี่สิบรูปสองห้ารูปทไม่ได้สองทัาสะวั สองพวกสิทนะครับสามารถทําสังกรรมได้ทั้งหมดเวกอภาระกรรมอย่างดีเพราะต้องยี่สิทธิ์นะครับสองมีสติว่ายี่สิทธสามารถทําสังกรรมที่เหลือได้ทั้งหมดได้ทุงอย่างนะครับสองพวกยี่สิทธิ์นะทได้หมดเลยสองอติเลกามีสติว่าก็สองที่พวกเกินยี่สิบเอ็ดลูปนะครับอันนี้อ๋อเกินยี่สิบลูปนะท่างแต่ยี่สิบเอ็ดลูปขึ้นไป สามารถทาสังกรรมได้ทั้งหมดเช่นเช่นเดียวกันกับสงมีสติวัตรก็สงนั้นท่านจะแมกไว้เพื่อรู้ว่ากรรมที่สงเจตุว่าเป็นต้นทุนทำสงผู้ต่าํากว่าไม่สามารถจะทําได้แต่ถ้าเกินกว่าสามารถทําได้ใช่ไหมอย่างเช่นลงปฏิโมกเนี่ยส่วนปฏิโมกใช้เพืสงสีรูปถ้ามีแค่สามไม่สามารถสุดปฏิโมกได้ให้ทําไงถ้ามีแค่สามถึงวนบนสุทําไงครับ ก็บอกอรบอกบริสุทธิ์นะครับอืมบริสุทธิ์บริสุทธิ์โทรอาหารพันเต้บริสุทธิ์โทรติมังคาลที่ที่ว่าติมัเลมังคาเนะครับนั่นนะก็มีบอกบริสุทธิ์ี้แนนะครับเนี่ยจะทํสัญลักษาปฏิโมงหน้ต้องสี่รูปนะนันี่ครับอกว่าทีนี้ส่วนปฏิโมกจะท่าสี่รูปทาท่ห้ารูปกันกว่าสี่ทำได้ไหมได้อยู่แล้วชครับโอเคนะ ก็ถ้าเกิดสูอย่างนี้นะง่ายๆกรรมที่สงจตุวะสงพวกสี่ปุญญาธรรมนะถ้านต่ำคนนั้นทําไม่ได้ถ้าสูงคนนั้นก็สามารถทําได้ที่สุงไม่ถึงสี่รูปนะครับไม่สามารถทํากรรมของสองจตุวะได้สงจตุวะไม่สามารถทํากรรมที่จะต้องทําด้วยสงประจจวักได้อย่างเช่นสังฆ า, าวนาอย่างเช่นสงห้ารูปใช่ไหมสงสี่ก็ทําไม่ได้ห้จาจุดตรงนี้ก็าการได้ จบตอนนี้ล้กันแต่สงปัญจวัคสงพวกห้านะครับ <Okay. S 1> สามารถทําทกรรมของสองจตุวัคได้นะก็เห mm. มือนกันที่เดียวก็เหมือนกันสําหร mm. ับ mm. อุโบสถกรรมนี้หมายเอาสงสมมุติสงทั้งหมดนับตั้งแต่สงจตุวัคขึ้นไปเพราะว่าสงแท่พวกสี่ครับ mm. ก็สามารถที่จะลงปฏิโมกข์ได้แล้วนั่นเลย จบพรนะุ่งนี้นะท่งนี้ทํมาสอบท้าเรียนทุกคนต้อสมายนะโอ้แด้มันแรแบบสีหน้าถือว่าได้เยอะอยะนี่ปัหาฉันโ <c oughs> ม ห, ามหามานาทขึไหมเนี่ยครับก็ในฐานที่สือครับขอความเจลือนอกนายภาวในของพระนเสม จะมีแต่ท่านหมาด้วยกัน